มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตนเองเพราะเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงต่างกับความสุขและความเจริญในทางโลกที่เป็นความสุขและความเจริญที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวรเช่นความสุขที่ได้จากการเจริญในลาภในยศในสรรเสริญและการได้เสกสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผพทภาพะต่างๆเป็นความสุขที่ไม่ ยืนยาวนานเป็นความสุขที่สร้างความอยากสร้างความต้องการให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจากใดการที่เราได้ความสุขและได้ความเจริญแบบนี้มาแล้วยังไม่ได้สร้างความอิ่นสร้างความพอให้กับเราเราก็ยังจะต้องตะเกียตะกายต้องดินน้นรน สแสวงหาความสุขความเจริญแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายก็ยังจะไม่พบกับความอิ่มและความพอพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าเป็นความสุขและความเจริญไม่แท้จริงจึงได้ทรงสละความสุขและความเจริญต่างๆเหล่านี้ทั้งๆที่พระพุทธองค์ก็ทรง มีฐานะที่สูงเป็นถึงราชโอรสมีสมบัติเข้าของเงินทองเป็นจำนวนมากมายมีความสุขที่ได้รับจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระแต่ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้พระองค์นั้นได้ถึงความพอเล ย, เลยมีแต่สร้างความอยาก อยู่เรื่อยๆสร้างความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่เรื่อยๆสร้างความกังวลอยู่เรื่อยๆจึงได้ทรงสละราชสมบัติและเสด็จออกพนวดเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงและไม่นานคือ6กปีหลังจากนั้น หลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆก็ได้ทรงพบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่สลายเพราะเป็นความสุขที่อยู่ในใจใจเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่สลายไม่แตกไม่ดับไม่เหมือนกับร่างกายที่มีการเสื่อม มีการแตกมีการแตะดังนั้นความสุขที่ตั้งอยู่ ท, ที่ตั้งอยู่ในใจจึงเป็นความสุขเป็นความเจริญที่ทเที่ยงแท้แน่นอนดั่งถาวรส่วนความสุขที่ตั้งอยู่กับกายเช่นอาศัยกายเป็นเครื่องมือเช่นเวลาเราอยากจะมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็ต้องมีร่างกาย คือต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้เป็นเครื่องมือสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆแต่พอร่างกายถึงเวลาที่เสื่อมลงไปแตกหรือแตกสลายไปความสุขที่เราแสวงหาต่างๆก็จะต้องหมดไปด้วยเราจะไม่สามารถหาความสุขแบบที่เราเคยหากันได้มาอีกต่อไป ส่วนใจของเราถ้าไม่ได้สวงหาไม่ได้สร้างความสุขทางด้านจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความอยากมีแต่ความหิวความกระหายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกทางจากร่างกายไปก็จะไปแบบคนขอทานไปแบบคนหิวคนกระหายคนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไป ส่วนใจที่ได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาก็จะเป็นใจที่มีความสว่างสวยมีความสุขมีความอิ่มพอเวลาแยกทางกับร่างกายก็จะไปได้อย่างสุขอย่างสบาย อย่างมีความอิ่มเอิบมีความพอนี่แหละคือความสุขและความเจริญสองส่วนที่มีความแตกต่างกันความสุขความเจริญทางร่างกายมีจุดจบมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความตายส่วนความสุขและความเจริญทางจิตใจไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดเพราะอยู่กับใจ ใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายทำอย่างไรก็ไม่ตายเหมือนกับน้ำทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำลายน้ำได้เอาน้ำไปต้มมันก็ระเหยกลายเป็นกลายเป็นปลกลายเป็นเมฆไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเป็นน้ำอกีก น, นี่คือธรรมชาติของน้ำเป็นอย่างนั้นทำลายไม่ได้ฉันใดใจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใจก็ทำลายไม่ได้ ต่อให้ฆ้าทำร้ายร่างกายไปแต่ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจึงมีการเกิดอยู่เรื่อยเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองเมื่อแยกจากร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายสูงร่างกายต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ได้บงเพนญมา ถ้าบางเพนบุญมากกว่าบางเพนบาป ก, ก็จะได้ร่างกายที่ดีเช่นร่างกายมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมหรือไม่เช่นนั้นก็ได้ร่างกายทิพเป็นได้ร่างของเทพของพรหมของพระอริยรเจ้าของพระพุทธเจ้าร่างของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าพระนิพพานคือเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธ ที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากมีความอิ่มมีความสุขไปตลอดอนันตการจิตดวงนั้นแบบนั้นจึงไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเทพเป็นพรเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวร มีความอิ่มมีความพอไปตลอดอนันตการนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันต์ได้บังเพญจนได้สิ่งที่วิเศษคือความสุขและความเจริญที่ถาวนี้มาเป็นสมบัติท่านจึงได้ออกเผยแผ่สั่งสอน พวกเราที่ยังมีความมืดบอดยังมีความหลงอยู่กับความสุขที่มีร่างกายเป็นที่ตั้งคือพวกเรายังหลงกับความเจริญทางรากยศสรรเสริญและการมสุขถ้าเราได้เงินได้ทองมาเราจะดีอกดีใจถ้าเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเราจะดีอกดีใจ ถ้าเราได้รับการสรรเสริญเยียนยอเราก็จะดีอกดีใจถ้าเราได้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่ถูกอกถูกใจเราก็จะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่นานพอผ่านไปแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้เราไปเที่ยวเรามีความสุข ทุ่งนี้เราก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกเพราะความสุขที่เราได้จากการเที่ยวในวันนี้มันหมดไปมันไม่อยู่ติดไปกับใจเราไปตลอดเงินที่เราได้มามากน้อยเพียงไรพอเราได้มาใหม่ๆเราก็ดี อ, อกดีใจพออีกสองสามวันต่อไปเราก็อยากจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งๆ ท, ที่เงินที่ได้มายังใช้ไม่หมดเลย ก็ยังอยากได้ไมาอีกสรรเสริญก็เป็นแบบเดียวกันราบายศถาบรรดาศักติ์ตำแหน่งก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันวันนี้ได้เป็นนายร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเป็นนายพันพอได้เป็นนายพั น, ก, ก, น, นสอสอก็อยากจะได้เป็นนายพลได้เป็นสสก็อยากจะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายก ได้เป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นไปนานๆนี่คือความสุขความเจริญทางโลกที่ไม่เคยทำให้เราพบกับความอิ่มความพอถ้าตราบใดเราไม่ได้ความอิ่มความพอแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไม่อิ่มรับประทานเข้าไปทําไมรับประทานไป เรื่อยๆมันก็ไม่อิ่มสักทีอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากจะรับประทานโชคดีที่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นทำให้ร่างกายเราอิ่มพอได้คือเมื่อเรารับประทานเข้าไปเต็มที่แล้วก็รู้ว่ารับประทานเข้าไปไม่ไหวแล้วพอแล้วต่อให้ใครเอาอาหารวิเศษขนาดไหนมีราคาแพงขนาดไหนก็ตาม เมื่ออิ่มแล้วมันก็รับประทานไม่ลงรับประทานไม่ได้แต่อย่างอื่นนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเราที่กว่า น, นี้ที่เราแสวงหากันก็คือลาบยศเสริญสุดนี่เองทุกวันนี้เราออกไปทํางานทาการก็เพื่อหาเงินหาทองนี่ก็เรียกว่าลาบแล้วก็อยากจะได้ตําแหน่งอยากจะได้เลื่อนขั้นจาก ขั้นนี้ก็อยากจะไปเป็นขั้นนั้นแล้วก็อยากจะให้คนชื่นชมยินดีสรรเสริญมีนงวิ่งนงวันให้มอบใบประกาศนียบัดให้หรือให้ปริญญาเ็าเรียกดุษฎีบัณฑิตเป็นปริญญาที่ให้โดยที่ไม่ต้องเรียนหนังสือให้เพราะชื่นชมยินดีในความรู้ในความสามารถ และความสุขที่เราได้จากการไปดูไปฟังไปดื่ไปรับประทานมันเป็นความสุขที่มันไม่ได้ทําให้เราเกิดความอิ่มความทอต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรเราก็ยังรู้สึกว่างๆอยู่ในใจของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจนั่นเองเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้กับร่างกาย ถ้ามันไม่เป็นอาหารกับสำหรับร่างกายแล้วกินเข้าไปยังไงก็ไม่อิ่มเช่นถ้าเราเอาแต่ลมเข้าไปในท้องของเราสูดแต่ลมเข้าไปในร่างกายของเราต่อให้สูดเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ทำให้ร่างกายอิ่มได้เลยเพราะไม่ใช่เป็นอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายต้องเป็นกับข้าวกับปลาของหวานของข้าว ต่างๆถึงจะทำให้ร่างกายอิ่มได้ฉันใดใจของเราจะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราได้อาหารใจอาหารใจก็คือบุญและกุศลนี่เองที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เป็นการเติมอาหารให้กับใจเป็นการพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกัน จึงเรียกว่าเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงเวลาที่เราได้ให้อะไรกับผู้อื่นไปด้วยความตั้งใจเราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราต้องให้ไปด้วยความจําใจเช่นถูกบังคับให้นี้เราจะรู้สึกไม่มีความสุขใจ ดังนั้นการให้ต้องเกิดจากการให้ด้วยความตั้งใจด้วยความยินดี <Yeah. S 1> ถ้าเรามาทำบุญวันนี้แล้วเราไม่ได้ตั้งใจมาทำมาทาเพราะถูกเขาบังคับให้มา mm. เราจะไม่มีความสุขใจ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจนั่นเอง yeah. <Yeah. S 1> บุญคือการให้คือทางที่เป็นที่เป็นการให้นี้ จะเป็นบุญขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราให้ด้วยความพอใจด้วยความยินดีถ้าเราให้ด้วยความจำใจเสียดายไม่อยากจะให้เราให้ไปแล้วเราจะไม่ได้บุญเพราะบุญแปลว่าความสุขใจความอิ่มใจนี่เองดังนั้นเวลาเราทำอะไรขอให้เราดูใจเราเป็นหลัก ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจหรือไม่ถึงแม้เขาบอกว่าเป็นการทำบุญแต่ถ้าเราฝืนทำเราก็จะไม่ได้บุญเท่าที่ควรดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรขอให้เราตั้งใจทำด้วยความด้วยความเต็มใจเมื่อทำแล้วก็จะเป็นบุญขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวของต่าง แก่ผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่นเช่นรับใช้บิดามารดาผู้มีพระคุณของเราถ้าเราตั้งใจมีความยินดีที่จะรับใช้คุณพ่อคุณแม่เราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราต้องทำเพราะความจำใจเราจะรู้สึกหนุนหงิดใจจะไม่มีความสุขดังนั้นเวลาจะทำอะไรขอให้เรา คิดว่าเป็นการทำบุญเป็นการให้อาหารกับจิตใจแล้วทำด้วยความเต็มใจแล้วเราจะมีความสุขนอกจากการให้แล้วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นการสร้างความสุขและความเจริญให้กับเราเช่นเดียวกันคือเวลาที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่นไม่ฆ่าผู้อื่นไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นไม่ได้พูดปลดมดเทศโกหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุรายาเมาเราจะมีความรู้สึกสบายใจไม่รู้สึกวุ่นวายกังวลใจ ต่างกับเวลาที่เราเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อทําไปแล้วจะมีความวุ่นวายมีความหวาดกลัวมีความกังวลเกิดขึ้นมากลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษถูกจับไปใช้เวรใช้กรรมนั่นเองและผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะได้รับการย่องนับถือไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่สูง ไม่เหมือนกับผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือสังเกตดูถ้าเราเป็นคารวาสแล้วเราไปบวชเป็นพระอย่างนี้เพียงแต่โกนหัวห่มผ้าเหลืองพอออกมาจากโบสถ์ก็มีคนกราบไหว้แล้วเพราะเขามีความเชื่อว่า เราเป็นคนดีเป็นคนสูงมีสีลแม้แต่พ่อแม่ยังกราบลูกได้เพราะนี่แหละคือการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงให้กับตัวเราเราจึงอย่ามองข้ามการรักษาสีลเป็นอันขาดถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความ น่าเคารพนับถือเป็นคนที่มีความสุขมีความสบายใจก็ขอให้เราพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้อย่าหลง่างไปกับกระแสของทางโลกซึ่งเป็นกระแสของคนมืดบอดของคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วที่เห็นกับตาปปัฏเห็นกงจักเป็นดอกบัว เห็นความเสื่อมว่าเป็นความเจริญเช่นผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหรือผู้ที่ประพฤติผิดประเวณีไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นบุกคนเหล่านี้เขาคิดว่าเป็นความเป็นความฉลาดความเก่งของเขา ที่ทำให้เขาสามารถทำในสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้แต่เขาไม่รู้ถึงผลที่จะตามมาต่อไปเพราะใจของเขานั้นมืดบอดขาดแสงสว่างแห่งธรรมไม่เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ที่มีแสงสว่างสามารถมองเห็นที่ตาเนื้อไม่สามารถมองเห็นได้ ก็คือสามารถมองเห็นใจของสัตว์โลกได้ของตัวของท่านเองได้ว่าคนเหล่านั้นนอกจากมีร่างกายแล้วยังมีใจด้วยเหมือนกับต้นไม้นอกจากมีลำต้นมีใบมีกิ่งก้านแล้วก็มีรากด้วยแต่รากนี้คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นกันถ้าไม่ถอนต้นไม้ออกมาจากดินจะไม่เห็นราก ฉันใดคนที่มีความมืดบอดทางด้านธรรมะก็จะไม่เห็นใจไม่เห็นตัวจิตที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วตัวจิตนี่ยังจะต้องเดินทางไปต่อต้องไปเกิดใหม่ต้องไปมีร่างกายใหม่ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายลุกต่างๆแล้วก็ไป ทำผิดศีลผิดธรรมเมื่อตายไปก็จะต้องไปอบายคำว่าอบายยมุกนี้แปลว่าทวานรสู่อบายคือประตูสู่อบายนั่นเองผู้ที่ไปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับการเสพสุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดคร้านคบคนชั่วเป็นมิตรแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทำบา ก, mm hmm. บากทำกรรมเช่นไปเล่นการพนันเมื่อหมดเงินหมดทองก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีมิชอบไปลักเล็กขโมยน้อยไปพ้นไปจี้ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปขอยืมเงินทองเขาแล้วก็ไม่มีเงินทองที่จะไปใช้เขาหรือเมื่อไปพ้นไปจี้แล้วมีการต่อสู้กัน ก็ต้องฆ่าผู้อื่นเมื่อได้ ท, ทำบาปทำกรรมแล้วใจที่ต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปสู่อบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นสุนัขแมวเป็นต้นหรือไปนรกนรกก็คือสภาพของใจ ที่มีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนไฟที่กำลังถูกเผาอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างความรุ่มร้อนของจิตใจนี้เป็นอย่างไรก็เวลาที <cereal> ่เรามีความเครียดแคบมีความโกรธมีความทุกข์นั่นแหละคือความรุ่มร้อนของจิตใจใจของเราเมื่อได้ทำบาปทำกรรมแล้วก็จะมีความรุ่มร้อนอย่างนั้น เมื่อตายไปความรุ่มร้อนก็จะติดอยู่กับใจไปจึงกลายเป็นนรกขึ้นมานรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนวัฏยานที่เราเดินทางมาด้วยรถยนต์แต่นรกนี้ก็คือสภาพจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรามีความรุ่มร้อนวันนั้นใจของเราก็กําลังตกนรก ถ้าวันไหนใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเช่นวันนี้เรามาทําบุญเรามีความสุขมีความอิ่มเอิใจวันขณะนี้เรากําลังอยู่ในสวรรค์ใจของเรากําลังอยู่ในสวรรค์ mm hmm. เพราะสวรรค์หรือนรกนั้นไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาวะของใจของเราที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบุญตามบาป ที่เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์นี้เราจะขึ้นสวรรค์และตกนรกอยู่เป็นประจำแต่ตกไม่นานและขึ้นไม่นานเราดีใจเรามีความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวเราก็มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเนื่องจากว่าเรามีสิ่งต่างๆมาคอยกระทบอยู่เรื่อยๆ ทำให้ใจเราทำบาปทำบุญสลับกันไปอยู่เรื่อยๆจึงมีความสุขมีความทุกข์สลับกันไปอยู่เรื่อยๆถ้าคนฉลาดรู้จักทำบุญให้กับใจก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าคนไม่ฉลาดก็จะสร้างความทุกข์ให้ให้มากกว่าความสุขเพราะว่า ความสุขและความทุกนี้เกิดจากการกระทําของใจเรานั่นเองถ้าใจเราคิดดีเช่นวันนี้ใจเราคิดดีคิดมาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมใจของเราก็มีความสุขถ้าใจเราคิดไม่ดีไปคิดไปเล่นการพนันคิดไปเล่นไปไปเสพสุรายาเมาเดี๋ยวไม่นานใจของเราก็ต้อง เกิดความทุกตา ม, มาเวลาเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวหรือไปเสพสุรายาเมาแ ล, แล้วก็ไปทะเลาะวิวาสไปทุบไปทำลายสิ่งของของผู้อื่นหรือไปถับรถยนต์ไปชนผู้อื่นหรือไปประสบกับอุบัติเหตุใหญ่ก็จะต้องวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เพราะเกิดจากการกระทา ของใจทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากใครเลยเนื่องจากไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดที่จะดูแลรักษาใจให้มีความสุขให้อยู่ในสวรรค์นั่นเองใจของตนจึงมักจะตกนรกอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเวลาที่ใจไม่มีร่างกายแล้วตอนนั้นจะไม่มีอะไรมากระทบมาให้ไปทำอย่างอื่น ถ้าใจมีความทุกข์อยู่ในใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์นั้นจะหมดไปเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงเชื้อไฟถ้าตราบใดยังไม่เชื้อไฟอยู่ไฟก็จะไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อไฟนั้นจะหมดคนที่ตกนรกก็เป็นอย่างนั้นจิตใจก็จะมีความทุกข์ไปจนกว่ากรรมคือบาป ท, ที่ได้ทาไว้นั้น หมดไปเมื่อหมดไปแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะต้องไปใช้กรรมอย่างอื่นต่ออาจจะต้องไปเป็นเปรตซะก่อนเพราะมีความโลภมีความโลภมากไม่รู้จักพอจิตเมื่อหายจากความทุกข์จากความเครียดแค้นเศร้าโศกเสียใจแล้วก็มาโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ยังจะต้องไปเป็นเปรตอยู่จนกว่าจะความโลภนั้นถูกเผาบทไปจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบาปสร้างบุญกันใหม่ขึ้นอยู่ว่าจะมีความฉลาดหรือมีความโ ง, ง่ถ้าได้อยู่ใกล้คนฉลาดก็จะมีคนคอยสอนคอยบอก ให้ทำบุญให้ทำความดีให้ละบาปถ้าไปอยู่กับคนโง่ด้วยกันก็จะสอนให้ทำบาปไม่ให้ทำบุญแล้วถ้าเชื่อเขาก็จะต้องเป็นไปตามที่เขาสอนเขาบอกถ้าเขาสอนให้ทำดีก็จะได้ไปที่ดีเช่นอย่างพวกเรามาวาัดกันนี้เพราะเรามีคนสอนคนบอก ถ้าไม่ใช่พ่อแม่เราก็อาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นญาติสนิทนิสหายหรืออาจจะเป็นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นบุญเก่าที่เราได้สะสมไว้ยังไม่หมดยังมีหลงเหลืออยู่ในใจบุญเก่านี้ก็จะเป็นตัวชักจูงชวนหรือผลักดันให้เราไปทำบุญต่อ เช่นเดียวกับคนที่ทำบาปบาป ท, ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจก็จะชักจูงจะผลักดันให้ไปทำบาปต่อแต่บุญและบาปนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เช่ขนขณะใ ด, ดที่จิตของเราคิดอยากจะทำบาปเราก็สามารถยับยั้งได้คิดอยากจะไปเสพสุรายาเมาเราก็ยับยั้งได้ คิดอยากจะไปเล่นการประหารเราก็ยับยั้งได้อยู่ที่เราที่จะเป็นผู้กระทําไม่มีใครสามารถบังคับเราได้เช่นเดียวกับการทําบุญการทำความดีถ้าเรามีความอยากจะทําความดีแต่ถ้าเราอยากจะทำํำเฉยๆแล้วไม่ได้ทําเราก็จะไม่ได้บุญเช่นเดียวกัน เมื่อเราอยากอะไรแล้วเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเมื่ออยากทาบุญแล้วก็ให้รีบทําเลยอย่าไปรอวันรอเวลาพอคิดอยากจะทําบุญก็ให้ทําทันทีเวลาคิดอยากจะทําบาป ก, ก็ขอให้รีบระงับดับทันทีอย่าไปบอกว่าไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆทำแล้วไม่เกิดอะไร ใช่ครั้งนี้ทำไปแล้วอาจจะไม่เกิดอะไรแต่คั้งต่อไปก็จะทำมากขึ้นไปจะทำหนักขึ้นไปเรื่อยๆด้านในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องรับผลของบาปที่ทำไว้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ระมัดระวังเรื่องบาปกำทั้งหลายแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่าผงธุลีก็ตามพยายามอย่าไปทำมัน ว่เมื่อทำแล้วมันจะติดเป็นนิสัยจะทําให้เราทําง่ายขึ้นทําบ่อยขึ้นทํามากขึ้นแล้วไม่ไม่นานมันก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่เป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการทําบุญถึงแม้จะเป็นการทําบุญเล็กๆน้อยๆก็ให้รีบทําเสียอย่าไปคิดว่าเรามีแค่นี้ทําแล้วได้นิดเดียวสู้คนอื่นเขาไม่ได้ไว้รอให้เรารวยก่อนค่อยทํา อย่างนี้ก็จะไม่มีทางได้ทำเลยเพราะเมื่อรวยแล้วก็จะเสียดายเงินทองจะหวงเงินทองก็ไม่อยากจะทำจนอยู่อยู่ดีดังนั้นเมื่อเราอยากจะทำถึงแม้เราจะมีเพียงแต่ข้าวปล่ า, าก็ขอให้เราทำไปเพราะเมื่อเราทำแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปต่อไปพอเรามีปัญญามีความสามารถที่จะซื้อกับข้าวกับปลา เราก็ซื้อกับข้าวกับปลาใส่บาทไปกับข้าวได้และถ้ามีเงินมากกว่านั้นก็จะอาจจะซื้อจีวงจีวรซื้ออยู่ซื้อยาซื้อเครื่องสังกาทานถวายต่อไปได้เราอย่าไปมองคนอื่นขอให้เรามองเราเพราะแต่ละคนนี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลม า, ม, ามากแล้ว ก็เป็นเหมือนกับคนที่เขาเรียนหนังสือมามากกว่าเราเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็ได้อยู่ในชั้นที่สูงกว่าเราถ้าเรายังไม่ได้เรียนมาเลยเราก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อนแต่ถ้าเราได้เรียนมาแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนที่ชั้นอนุบาลเราก็เรียนชั้นมัธยมไปเลยก็ได้เราเรียนต่อไปได้ชั้นใดการสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นอย่างนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคนได้ทํามาไม่เท่ากันนั่นเองอา น, นิสงส์ของบุญจึงปรากฏไม่เท่ากันทําให้พวกเราที่มาเกิดในมีความแตกต่างกันมีความสุขมีความสุขมากน้อยต่างกันมีความเจริญในในเรื่องเงินทองมากน้อยต่างกันในเรื่องรูปร่างหน้าตาต่างกันในเรื่องอายุ และสุขภาพต่างกันคนที่ทำบุญมามากกว่าย่อมได้มากกว่าคนที่ทำมาน้อยกว่าย่อมได้น้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะบุญบรารมีนี้เป็นสิ่งที่แข่งกันไม่ได้มีสุภาษิตที่พูดไว้ว่าแข่งรถแข่งเรือนั้นพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบรารมีนี้แข่งกันไม่ได้มีแต่จะต้องทา ของใครของมันทำให้มากและเมื่อถึงเวลาอ น, นิสง์ของบุญบา ร, รมีนี้ mm. ก็จะส่งผลให้เราได้สุข mm. ได้เจริญมากกว่าผู้อื่น mm. แต่ในปัจจุบันนี้ mm. ถึงแม้อยากจะสุขอย่างเจริญอย่างไรแต่ถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาในอดีต mm. ให้อยากไปจนวันตาย mm. ก็จะไม่ได้มา mm. mm. จึงขอให้เราจงมีความ เชื่อในเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงว่าเป็นทางที่ถูกต้องที่ดีที่สุดดีกว่าการสร้างความสุขความเจริญที่ไม่ถาวรคือความสุขความเจริญทางยากทางลาบยศสรรเสริญสุขอย่าไปติดกับเพราะมันจะทำให้เรา ต้องทุกข์ในภายหลังจะต้องไปเกิดในที่ต่ำในที่ไม่ดีขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกันเถิดแล้วความสุขและความเจริญที่แท้จริงจะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญมีความแค้วแกรางปลอดภัยจับทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ